รนะกะถาว่าด้วยชรามรณะเจ็รอยสิบหกสกชรามรณะแห่งโลกุตระธรรมเป็นโลกุตระใช่ไหมปรใช่สกเป็นมรรักผลนิ พ, พานโสดาปฏิมรรักโสดาปฏิผลโพชฌงใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกชรามรณะแห่งโสดาปฏิมรรักเป็นโสดาปฏิมรรักใช่ไหม ปร ayo, ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกชรามรณะแห่งโสดาปฏิมักเป็นโสดาปฏิมักใช่ไหมปรใช่สกชราโมรณะแห่งโสดาปฏิผลเป็นโสดาปฏิผลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกชรามรณะแห่งสกะทาคามิมักสกะทาคามิผลอนาคามิมักอนาคามิผล ช <departed? |mt|>. รามรณะแห่งอรหัตมักเป็นอรหัตมักใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกชรามรณะแห่งอรหัตผลเป็นอรหัตผลใช่ไหมปรใช่สกชรามระแห่งสติปทานสัมปทานอิทิบาท อินสีพละชรามรณะแห่งโพ่อชงเป็นโพ่อชงใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น727ปรท่านไม่ยอมรับว่าชรามรณะแห่งโลกุตระธรรมเป็นโลกุตระใช่ไหมสกใช่ปรเป็นโลกียะใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรดังนั้นชรามรณะจึงเป็นโลกุตระ ชรามรณะกะถาจบเจ็สัญญาเวทียิตกถาว่าด้วยสัญญาเวทียิตนิโรธสมาบัติเจ็ดร้อยยี่สิบปดสกสัญญาเวทียิตนิโรธสมาบัติเป็นโลกุตระใช่ไหมปอรอใช่สกเป็นมักผลนิพานโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลโพชงใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้น เจรอยยปรท่านไม่ยอมรับว่าสัญญาเวทยิทนิโรธสมาบัตเป็นโลกุตระใช่ไหมสกใช่ปรเป็นโลกิยะใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรดังนั้นสัญญาเวทยิทนิโรธสมาบัตจึงเป็นโลกุรญญตระสัญญาเวทยิตกรถาจบ8ทุติยสัญญาเวทยิทตกรถา ว่าด้วยสัญญาเวทยยนิโรธัศมาบัตรที่สอง7จ็อสากสัญญาเวทียทิโรธัศมาบัตรเป็นโลกิยะใช่ไหมปรใช่สกเป็นรูปใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเป็นกามวจรใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเป็นรูปาวจรใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเป็ น, huh ป น, ร, like ปนรูปาวจรใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเจ็้สามสิอปรท่านไม่ยอมรับว่าสัญญาเวทียิทนิโรธสมาบัตเป็นโลกิยะใช่ไหมสกใช่ปรเป็นโลกุตระใช่ไหม สกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรดังนั้นสัญญาเวทยิตนิโรธศสมาบัตจึงเป็นโลกิยะทุติยสัญญาเวทยิตตะาถาจบ9ก้าตติยสัญญาเวทยิตตะคถาว่าด้วยสัญญาเวทยิตนิโรธาสมาบัตที่สามเจ็ร้อยสามสบสองสกบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัตอาจตายได้ใช่ไหม ปอรอใช่สกบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิทนิโรธาสมาบัติยังมีผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตที่เกิดในขณะใกล้จะตายใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิทนิโรธาสมาบัตไม่มีผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตที่เกิดในขณะใกล้จะตายใช่ไหมปอรอใช่ สกหากบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธาสมาบัติไม่มีผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตที่เกิดในขณะใกล้ตายท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติอาจตายได้สกบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธาสมาบัติอาจตายได้ใช่ไหมปรใช่สกบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยินิโรธสมาบัติ มีผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธาสมาบัติไม่มีผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตใช่ไหมปรอใช่สกบุคคลผู้ไม่มี цвет, ญญญญมผัสสะไม่มีเวทนาไม่มีจิตตายได้ใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก บุคคลผู้มีผัสสะมีจิตตายได้ไมิใช่หรือปรอใช่สกหากบุคคลผู้มีผัสสะมีจิตตายได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธาสมาบัติอาจตายได้สกบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิทนิโรธสมาบัติอาจตายได้ใช่ไหมปรใช่สกยาพิษศาสตราไฟ เพิ่งกล้ามกลายเข้าไปในร่างกายของบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิทนิโรธาสมาบัตดได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกยาพิษศาสตราไฟไม่พึงกล้อมกลายเข้าไปในร่างกายของบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิทนิโรธาสมาบัตดได้ใช่ไหมปรใช่สกหากยาพิษศาสตราไฟไม่พึงกล้ามกลายเข้าไปในร่างกายของบุคคล ผู้เข้าสัญญาเวทียิทนิโรธาสมาบัตได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคญญบ ค, บคลผู้เข้าสัญญาเวทีย oh ิทนิโรธาสมาบัตอาจตายได้สกบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทียิทนิโรธาสมาบัตอาจตายได้ใช่ไหมปรใช่สกยาพิษศาสตร์ไฟพึงกล่อมกลายเข้าไปในร่างกายของบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทียิทนิโรธาสมาบัตได้ใช่ไหม ปรใช่สกไม่ได้เข้านิโรธาสมาบัติได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเจ็้สาสิบสาปรบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิทนิโรธสมาบัตไม่อาจตายใช่ไหมสกใช่ปรบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิทนิโรธาสมาบัตไม่อาจตายแน่นอนด้วยนิยามใดนิยามนั้นมีอยู่หรือ สกไม่มีปรหากบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทียิทนิโรธาสมาบัตไม่อาจตายแน่นอนด้วยนิยามใดนิยามนั้นไม่มีท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทียิทนิโรธสมาบัติไม่อาจตาย734สกบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยจกักรวิญญาณไม่อาจตายใช่ไหมปรใช่สก บุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยจักหูวิญญาณไม่อาจตายแน่นอนด้วยนิยามใดนิยามนั้นมีอยู่ใช่ไหมปรไม่มีสกหากบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยจักรโวิญญาณไม่อาจตายแน่นอนด้วยนิยามใดนิยามนั้นไม่มีท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยจักหูวิญญาณไม่อาจตายตติยะสัญญาเวทยิตกถาจบสิบ สัญญสัตว์ตูปิการกถาว่าด้วยสมาบัติที่เป็นเหตุให้เข้าถึงภพแห่งอสัญญาสัตว์เจอ้อสสิบห้าสกสัญญาเวทียิทนิโรธสมาบัติเป็นเหตุให้เข้าถึงภพแห่งอสัญญาสัตว์ได้ใช่ไหมปอรอใช่สกบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทียิทนิโรธสมาบัติยังมีกุศลลมูลคืออโลภะอโทสะอโมหะ มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธาสมาบัติไม่มีกุศลมูลคืออโลภะอาโทสะไม่มีปัญญาใช่ไหมปอรอใช่สกหากบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติไม่มีกุศลมูลคืออโลภะอโทสะอโมหะ ไม่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าสัญญาเวทียินิโรธศสมาบัติเป็นเหตุให้เข้าถึงโภะแห่งอสัญญาสัตว์ได้สกสัญญาเวทยินิโรธศสมาบัติเป็นเหตุให้เข้าถึงโพภแห่ง อ, ส, อ, อสัญญาสั ต, ส ต, ตวต์ได้ใช่ไหมปรใช่สกบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทียินิโรธสมาบัติยังมีพัรษะ เวทนาสัญญาเจตนาจิตใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทียินิโรธัสมาบัตไม่มีผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตใช่ไหมปรใช่สกบุคคลผู้ไม่มีผัสสะมีการเจริญมากผู้ไม่มีจิตมีการเจริญมักได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก บุคคลผู้มีผัสษะมีการเจริญมักผู้มีจิตมีการเจริญมักได้มิใช่หรือปรใช่สกหากบุคคลผู้มีผัสษะมีการเจริญมักผู้มีจิตมีการเจริญมักได้ท่านก็มีควรยอมรับว่าสัญญาเวทียิตนิโรธสมาบัตเป็นเหตุให้เข้าถึงโพภแผงอสัญญาสัตว์ได้สกสัญญาเวทยิตนิโรธาสมาบัต เป็นเหตุให้เข้าถึงภพแผงอสัญญาสัตว์ได้ใช่ไหมปรใช่สพเราชนผู้เข้าสัญญาเวทียิตนิโรธสมาบัตทั้งหมดนั้นเป็นผู้เข้าถึงภพแผงอสัญญสัตว์ได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น736ปรท่านไม่ยอมรับว่าสัญญาเวทียิตนิโรธสมาบัตเป็นเหตุให้เข้าถึงภพแ่งอสัญญสัตว์ได้ใช่ไหม สกใช่ปรบุคคลไม่มีสัญญาแม้ในโลกนี้ก็เป็นผู้ไม่มีสัญญาแม้ในโพแแ่งอสัญญาสัตว์นั้นไม่ใช่หรือสกใช่ปรหากบุคคลไม่มีสัญญาแม้ในโลกนี้ก็เป็นผู้ไม่มีสัญญาแม้ในโพแแ่งอสัญญาสัตว์นั้นดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าสัญญาเวทียิทนิโรธาสมาบัตเป็นเหตุให้เข้าถึงโพแแ่งอสัญญาสัตว์ได้ สัน ญ, ญาตสัตว์ตูปีรากระถาจบ 11. กรร ม, มูปั จ, จยกรถาว่าด้วยกรรมที่สังสม737สกกรรมกับกรรมที่สังสมเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปอรอใช่สกผัสสะกับผัสสะที่สังสมเป็นคนละอย่างกันเวทนากับเวทนาที่สังสมเป็นคนละอย่างกัน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 ปัญญากับปัญญาที่สั่งสมเป็นคนละอย่างกันราคะกับราคะที่สั่งสมเป็นคนละอย่างกันอโนตปะกับอโนตปะที่สั่งสมเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเจ็ดรอยสามกกรรมกับกรรมที่สั่งสมเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรใช่สกกรรมที่สังสมเกิดพร้อมกับกรรมใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกรรมที่สังสมเกิดพร้อมกับกรรมใช่ไหมปรใช่สกกรรมที่สังสมที่เกิดพร้อมกับกุศลกรรมเป็นกุศลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกรรมที่สังสมที่เกิดพร้อมกับกุศลกรรมเป็นกุศลใช่ไหมปรใช่สก กรรมที่สั่งสมที่เกิดพร้อมกับกรรมซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาก็สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกรรมที่สั่งสมที่เกิดพร้อมกับกรรมซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาสัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาก็สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมสุขเวทนาใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเจ็้อยสาสิเก้าสก กรรมที่สังสมเกิดพร้อมกับกร Wit? รมใช่ไหมปรใช่สกกร what? รมที่สังสมที่เกิดพร้อมกับอกุศลกร what? รมเป็นอกุศลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกรรมที่สังสมที่เกิดพร้อมกับอกุศลกรรมเป็นอกุศนใช่ไหมปรใช่สกกรรมที่สังสมที่เกิดพร้อมกับกรรมซึ่งสัมปยุตด้วยสุขเวทนา ก็สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกรรมที่สังสมที่เกิดพร้อมกับกรรมซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาสัมปยุทธ์ด้วยอุทุกขมสุขเวทนาก็สัมปยุทธ์ด้วยอุทุกขมสุขเวทนาใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเจร้อยสสิบสกกรรมเกิดพร้อมกับจิตกรรมรับรู้อารมณ์ได้ใช่ไหมปรใช่ สกกรรมที่สั่งสมเกิดพร้อมกับจิตกรรมที่สั่งสมรับรู้อารมณ์ได้ใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกรรมที่สั่งสมเกิดพร้อมกับจิตกรรมที่สั่งสมรับรู้อารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมปรอใช่สกกรรมเกิดพร้อมกับจิตกรรมรับรู้อารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกรรมเกิดพร้อมกับจิต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 เมื่อจิตแตกดับ ก, กรรมไม่แตกสลายไปใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเจร้อยสี่สิบเอ็ดสกเมื่อกรรมมีอยู่กรรมที่สั่งสมก็มีใช่ไหมปรใช่สกกรรมกับกรรมที่สั่งสมเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเมื่อกรรมมีอยู่กรรมที่สั่งสมเป็นแดนเกิดแห่งวิบากใช่ไหม ปรใช่สกกรรมกับกรรมที่สังสมเป็นอย่างเดียวกันวิบากกรรมก็เป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเมื่อกรรมมีอยู่กรรมที่สังสมเป็นแดงเกิดแห่งวิบากวิบากรับรู้อารมณ์ได้ใช่ไหมปรใช่สกกรรมที่สังสมรับรู้อารมณ์ได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก คำที่สั่งสมรับรู้อารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมปรใช่สกวิบากไม่มีอารมณ์ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเจ็ดร้อยสี่สิบสองสกคำกับคำที่สั่งสมเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรใช่สกพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าปุญ น, นะบุคคลบางคนในโลกนี้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 และวินิปาติกะบางพวกปุนนะเพราะกรรมที่มีรังนี้แหลความเกิดขึ้นของสัตว์จึงมีได้สัตว์ย่อมเกิดขึ้นเพราะกรรมที่ทำไว้ผัสสะย่อมถูกต้องสัตว์ผู้เกิดแล้วนั้นเรากล่าวอย่างนี้ว่าสัตว์ ท, ทั้งหลายเป็นผู้รับผลแห่งกรรมมีอยู่จริงมิใช่หรือปอรอใช่สกดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่า กรรมกับกรรมที่สั่งสมเป็นคนละอย่างกันประ ม, มูปัจยะกถาจบปัณณรสมวัคจบรวมกรถาที่มีนิวักษ์นี้คือหนึ่งปัจยะตากถา 2. อัญญมัญญะปัจยะกถาสอัธากถา 4. ขณะระยะมุขุตตะกรถาหอาศสวกกรา 6. ชรามรณะกถาเจ สัญญาเวทียิตาคถา 8. ทุติยสัญญาเวทียิตาคาถา 9. ตติยสัญญาเวทียิตาคาถา10บอจัญญสัตตูปิกากถาสิอกรร ม, มูปัจยกถาตติยปัญ น, นาจบรวมวรคที่มีในตติยปัญ น, นานี้คือวักที่สิบเอ็ดเริ่มด้วยติโสปิอนุสยกคถา วรที่สิบสองเริ่มด้วยสังวโรกรรมมันเตกถาวรที่สิบสามเริ่มด้วยกับปัตทกถาวรที่สิบสี่เริ่มด้วยกุศลากุศลปฏิสันทะหนะกักถาวรที่สิบห้าเริ่มด้วยปัจยะตากถา หโซลสมมาวคชหนึ่งนึกคาถ า, าว่าด้วยการข่มจิตเจ็ดร้อยสี่สิบสาสกบุคคลอื่นข่มจิตของคนอื่นได้ใช่ไหมปรรใช่สกบุคคลอื่นข่มจิตของคนอื่นว่าอย่ากำหนัดอย่าขัดเคืองอย่าหลงอยา่าเศร้ามองได้ใช่ไหมปรรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก บุคคลอื่นข่มจิต ข, ของคนอื่นได้ใช่ไหมปรใช่สกบุคคลอื่นข่มได้ว่าภาษะที่เกิดขึ้นแก่คนอื่นอย่าได้ดับไปเลยใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกนบุคคลอื่นข่มได้ว่าเวทนาที่เกิดขึ้นสัญญาที่เกิดขึ้นจเจตนาที่เกิดขึ้นจิตที่เกิดขึ้นศรัทธาที่เกิดขึ้นวิริยะที่เกิดขึ้น สติที่เกิดขึ้นสมาธิที่เกิดขึ้นปัญญาที่เกิดขึ้นแก่คนอื่นอยาได้ดับไปเลยใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลอื่นค่มจิต ข, ของคนอื่นได้ใช่ไหมปอรอใช่สกบุคคลอื่นละราคาโทสะอนุตตปะเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นได้ใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก บุคคลอื่นคมจิตของคนอื่นได้ใช่ไหมปรใช่สกบุคคลอื่นเจริญมรรคสติปทานโพชงเพื่อประโยชน์ก่คนอื่นได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลอื่นคมจิตของคนอื่นได้ใช่ไหมปรใช่สกบุคคลอื่นกำหนดรู้ทุกข์และสมุทยัยทำให้แจ้งนิโรธเจริญมรรค เพื่อประโยชน์แก่คนอื่นได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลอื่นคมจิตของคนอื่นได้ใช่ไหมปรใช่สกบุคคลอื่นทำให้แก่คนอื่นสุขทุกข์มีผู้อื่นเป็นตัวการบุคคลคนละคนกันทั้งทำและสวยใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลอื่นคมจิตของคนอื่นได้ใช่ไหม ปอรอใช่สกพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลทำบาปเองก็เศ้าหมองเองไม่ทำบาปเองก็บริสุทธิ์เองความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนบุคคลอื่นจะทำคนอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้มีอยู่จริงไม่ใช่หรือปอรอใช่สกดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าบุคคลอื่นคมจิต ข, ของคนอื่นได้ เจ็สิสี่ปรท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลอื่นคมจิตของคนอื่นได้ใช่ไหมสกใช่ปรบุคคลผู้มีกําลังมีอยู่บุคคลผู้มีอํานาจก็มีอยู่มิใช่หรือสกใช่ปรหากบุคคลผู้มีกําลังมีอยู่บุคคลผู้มีอํานาจก็มีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าบุคคลอื่นคมจิตของคนอื่นได้ เนื้อาหากถาจบสองปักข้าหากถาว่าด้วยการบังคับจิตเจ็ดร้อยสี่สิบห้าสกบุคคลอื่นบังคับจิตของคนอื่นได้ใช่ไหมปรรอใช่สกบุคคลอื่นบังคับจิตของคนอื่นว่าอย่ากําหนัดอย่าขัดเคืองอย่าหลงอย่าเศร้าหมองได้ใช่ไหมปรรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก บุคคลอื่นบังคับจิตของคนอื่นได้ใช่ไหมป ร, รใช่สกบุคคลอื่นให้คุศุลโมนเข่ออโลภะอโทสะอโมหะสัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเกิดแก่คนอื่นได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลอื่นบังคับจิตของคนอื่นได้ใช่ไหมปรใช่สกบุคคลอื่นบังคับว่า ภาษาที่เกิดขึ้นแก่คนอื่นอย่าได้ดับไปเลยได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลอื่นบังคับว่าเวทนาที่เกิดขึ้นปัญญาที่เกิดขึ้นแก่คนอื่นอย่าได้ดับไปเลยได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลอื่นบังคับจิตของคนอื่นได้ใช่ไหมปรใช่สกบุคคลอื่นและราคะโทสะโมหะ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 บุคคลอื่นบังคับจิตของคนอื่นได้ใช่ไหมปรใช่สกพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลทำบาปเองบุคคลอื่นจะทำคนอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้มีอยู่จริงนี่ใช่หรือปรใช่สกดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าบุคคลอื่นบังคับจิตของคนอื่นได้เจ็ดร้อยสี่สิหปร ท่านไม nope. ่ยอมรับว่าบุคคลอื่นบังคับจิตของคนอื่นได้ใช่ไหมสกใช่ปรบุคคลผู้มีกําลังมีอยู่คนผู้มีอํานาจก็มีอยู่ไม่ใช่หรือสกใช่ปรหากบุคคลผู้มีกําลังมีอยู่บุคคลผู้มีอํานาจก็มีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าบุคคลอื่นบังคับจิตของคนอื่นได้ปักขหาคถาจบ สามสุขานุปทานนกถาว่าด้วยการมอบสุขเจ็้อยสี่สิบเจ็ดสกบุคคลอื่นมอบสุขให้คนอื่นได้ใช่ไหมปรรอใช่สกบุคคลอื่นมอบทุกข์ให้คนอื่นได้ใช่ไหมปรรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลอื่นมอบทุกข์ให้คนอื่นไม่ได้ใช่ไหมปรรอใช่สก บุคคลอื่นมอบสุขให้คนอื่นไม่ได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลอื่นมอบสุขให้คนอื่นได้ใช่ไหมปรใช่สกบุคคลอื่นมอบสุขของตนสุขของคนเหล่าอื่นสุขของผู้รับนั้นให้คนอื่นได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลอื่นมอบสุขของตนสุขของคนเหล่าอื่น สุขของผู้รับนั้นให้คนอื่นไม่ได้ใช่ไหมปรใช่สกหากบุคคลอื่นมอบสุขของตนสุขของคนเหล่าอื่นสุขของผู้รับนั้นให้คนอื่นไม่ได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลอื่นมอบสุขให้คนอื่นได้สกบุคคลอื่นมอบสุขให้คนอื่นได้ใช่ไหมปรใช่สกบุคคลอื่นทาให้แก่คนอื่น สุขทุก์มีผู้อื่นเป็นตัวการบุคคลคนละคนกันทั้งทรรมและสวยใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น748ปรท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลอื่นมอบสุขให้คนอื่นได้ใช่ไหมสกใช่ปรพระสูตรที่ว่าท่านพระอุทายีเดียกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าพระผู้มีรพร ะ, มระภาคทรงกาจัด สภาวะธรรมอันเป็นเหตุแห่งทุกข์เป็นอันมากของเราท ee, ั้งหลายออกไปได้พระผู้มีพระภาคทรงนำสภาวะธรรมอันเป็นเหตุแห่งสุขเป็นอันมากมาให้เราทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงกำจัดสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลเป็นอันมากของเราทั้งหลายออกไปได้พระผู้มีพระภาคทรงนำสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นอันมากมาให้เราทั้งหลายมีอยู่จริงไม่ใช่หรือสกใช่ปรดังนั้น บุคคลอื่นจึงมอบสุขให้คนอื่นได้สุขานุปทานนักถาจบ4อธิขัยยหะมานาการรกถาว่าด้วยมนาการรวบยอด749สกบุคคลมนาการรวบยอดได้ใช่ไหมปอรอใช่สกรู้ชาติจิตนั้นด้วยจิตนั้นใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกรู้ชัดจิตนั้นด้วยจิตนั้นใช่ไหมปรใช่สกรู้ชัดจิตนั้นด้วยจิตนั้นว่าเป็นจิตใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกรู้ชัดจิตนั้นด้วยจิตนั้นว่าเป็นจิตใช่ไหมปรใช่สกจิตนั้นเป็นอารมณ์ของจิตนั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกจิตนั้นเป็นอารมณ์ของจิตนั้นใช่ไหม ปร que. ใช่สกถูกต้องผัสสะนั้นด้วยผัสสะนั้นสวยเวทนานั้นด้วยเวทนานั้นจำสัญญานั้นด้วยสัญญานั้นจงใจเจตนานั้นด้วยเจตนานั好好า้นคิดจิตนั้นด้วยจิตนั้นตรึกถึงวิตกนั้นด้วยวิตกนั claro. ้นตรองวิจารณ์นั้นด้วยวิจารณนั้นเอบอิ่มปิตินั้นด้วยปิตินั้นประลุสตินั้นด้วยสตินั้นรู้ชัดปัญญานั้นด้วยปัญญานั้นใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเจ้อยห้าสิกบุคคลเมื่อมานาสการสภาวธรรมที่เป็นอดีตว่าเป็นอดีตย่อมมาณาสการสภาวธรรมที่เป็นอนาคตว่าเป็นอนาคตได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเมื่อมานาสการสภาวธรรมที่เป็นอดีตว่าเป็นอดีตย่อมมนณาสการสภาวธรรมที่เป็นอนาคตว่าเป็นอนาคตได้ใช่ไหมปรใช่ สกมีการประชุมแห่งพัรษาสองอย่างจิตสองดวงใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเมื่อมนัสการสภาวธรรมที่เป็นอดีตว่าเป็นอดีตย่อมมนัสการสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันว่าเป็นปัจจุบันได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเมื่อมนัสการสภาวธรรมที่เป็นอดีตว่าเป็นอดีต ย่อมมนัสการสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันว่าเป็นปัจจุบันได้ใช่ไหมปรใช่สกเมื่อการประชุมแห่งภรรษสองอย่างจิตสองดวงใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเมื่อมนัสการสภาวธรรมที่เป็นอดีตว่าเป็นอดีตย่อมมนัสการสภาวธรรมที่เป็นอนาคตว่าเป็นอนาคตมนัสการสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันว่าเป็นปัจจุบันได้ใช่ไหม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 เมื่อมนัสการสภาวธรรมที่เป็นอนาคตว่าเป็นอนาคตย่อมมนัสการสภาวธรรมที่เป็นอดีตว่าเป็นอดีตได้ใช่ไหมปอรร์ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอเมื่อมนัสการสภาวธรรมที่เป็นอนาคตว่าเป็นอนาคตย่อมมนัสการสภาวธรรมที่เป็นอดีตว่าเป็นอดีตได้ใช่ไหมปอร์ใช่สกอมีการประชุมแห่งภัรษาสองอย่างจิตสองดวงใช่ไหม ปอร์ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเมื่อมนัสการสภาวธรรมที่เป็นอนาคตว่าเป็นอนาคตย่อมมนัสการสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันว่าเป็นปัจจุบันได้ใช่ไหมปอรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเมื่อมนัสการสภาวธรรมที่เป็นอนาคตว่าเป็นอนาคตย่อมมนัสการสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันว่าเป็นปัจจุบันได้ใช่ไหมปอรอใช่สก เีือการประชุมแห่งภาษะสองอย่างจิตสองดวงใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเมื่อมนัสการสภาวธรรมที่เป็นอนาคตว่าเป็นอนาคตเย่อมมนัสการสภาวธรรมที่เป็นอดีตว่าเป็นอดีตมนัสการสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันว่าเป็นปัจจุบันได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเมื่อมนัสการสภาวธรรมที่เป็นอนาคตว่าเป็นอนาคต ย่อมมนัสการสภาวธรรมที่เป็นอดีตว่าเป็นอดีตมนัสการสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันว่าเป็นปัจจุบันได้ใช่ไหมปรใช่สกมีการประชุมแห่งพัรษาสามอย่างจิตสามดวงใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเจ็ร้อยห้าสิบสองสกเมื่อมนัสการสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันว่าเป็นปัจจุบัน ย่อมมานาสการสภาวธรรมที่เป็นอดีตว่าเป็นอดี ต, ดตได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเมื่อมานาสการสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันว่าเป็นปัจจุบันย่อมมานาสการสภาวธรรมที่เป็นอดีตว่าเป็นอดีตได้ตตใช่ไหมปรใช่สกมีการประชุมแห่งภัสษาสองอย่างจิตสองดวงใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกเมื่อมนัจาการสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันว่าเป็นปัจจุบันย่อมมนัจาการสภาวธรรมที่เป็นอนาคตว่าเป็นอนาคตได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเมื่อมนัจสการสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันว่าเป็นปัจจุบันย่อมมนัจาการสภาวธรรมที่เป็นอนาคตว่าเป็นอนาคตได้ใช่ไหมปรใช่สก มีการประชุมแห่งภาษาสองอย่างจิตสองดวงใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเมื่อมนัสการสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันว่าเป็นปัจจุบันย่อมมนัสการสภาวธรรมที่เป็นอดีตว่าเป็นอดีตมนัสการสภาวธรรมที่เป็นอนาคตว่าเป็นอนาคตได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเมื่อมนัสการสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันว่าเป็นปัจจุบัน ย่อมมนสัสการสภาวธรรมที่เป็นอดีตว่าเป็นอดีตมนสัสการสภาวธรรมที่เป็นอนาคตว่าเป็นอนาคตได้ใช่ไหมปอร์ใช่สกมีการประชุมแห่งปัสสะสามอย่างจิตสามดวงใช่ไหมปอรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเจ็ร้อยห้าสิบสามปอรท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลมนสัสการรวบยอดได้ใช่ไหมสกใช่ปอร พระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าเมื่อใดอริยสาวกพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนั้นย่อมหน่ายในทุกขนั่นเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์เมื่อใดอริยสาวกพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกขเมื่อนั้นย่อมหน่ายในทุกข์นั่นเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์เมื่อใดอริยสาวกพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่า ทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมหน่ายในทุกข์นั่นเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์มีอยู่จริงมิใช่หรือสอกอใช่ปรดังนั้นบุคคลจึงมนัสการรวบยอดได้อธิคัยยหะมนัสการะกถาจบหรู ป, ปังเหตุตุติปถาว่าด้วยรูปเป็นเหตุเจ4ด้อยห้าสิบสี่ สอกอรูปเป็นเหตุใช่ไหมปรอใช่สอก อ, อโลพะเป็นเหตุใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกมาโทสะเป็นเหตุอโมหะโลพาโทสะโมหะเป็นเหตุใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกรูปเป็นเหตุใช่ไหมปรอใช่สก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 โลภะเป็นเหตุรับร um. ู oh ้อารมณ์ได um ้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรใช่สกรูปเป็นเหตุรับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอโทสะเป็นเหตุอโมหะโลภะโทสะโมหะเป็นเหตุรับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหม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 ปรท่านไยอมรับว่ารูปเป็นเหตุใช่ไหมสอกอใช่ปรมหาภูต ร, รูปเป็นเหตุโดยเป็นที่อาศัยแห่งอุปาทายรูปไม่ใช่หรือสอกอใช่ปรหากมหาภูต ร, รูปเป็นเหตุโดยเป็นที่อาศัยแห่งอุปาทายรูปดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ารูปเป็นเหตุรูปปังเหตุตุติกระถาจบ